4. ปหาระสิกขาบท127ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้กโกรธไม่พอใจทำร้ายภิกษุณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักคีโกรธไม่พอใจทำร้ายภิกษุในปหาระสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา